กรรมอันทําให้เดือดร้อนภายหลังพระพุทธภาษิตบุคคลทํากรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังมีหน้านองด้วยน้ําตาสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นไม่ดีอธิบายความในขณะที่ทําบางทีและมีอยู่เสมอที่เราไม่แน่ใจว่ากรรมที่ทําลงไปนั้นดีหรือไม่ดีตราบใดที่ผลยังไม่ออกมาตราบนั้นเราก็ไม่สามารถตัดสินได้แน่นอนว่า ถูกหรือผิดดีหรือชั่วอย่างไรแต่พอกรรมนั้นผลิดผลเราก็รู้ได้ทันทีว่ากรรมที่เราทํานั้นดีหรือชั่วผิดหรือถูกเพราะผลย่อมประกาศเหตุเหมือนเราสามารถรู้จักต้นไม้จากใบและลูกของมันฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลทํากรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีพระเทสสนตรัสพระพุทธภาเศตนี้ขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถี ทรงปลารบชาวนาคนหนึ่งมีเรื่องยอดดังนี้ชาวนาคนนั้นไถนาอยู่แห่งหนึ่งไม่ไกลกรุงสระบถีคืนนั้นพวกโจรหมู่หนึ่งขโมยทรัพย์ของตระกูลมั่ ง, งรรคั่งตระกูลหนึ่งได้ทรัพย์มากได้แบ่งทรัพย์กันที่นาของชาวนาคนนั้นบังเอิญถุงเงินถุงหนึ่งตกอยู่รุง่งเช้าชาวนาไปไถนาตามปกติไม่เห็นถุงเงินนั้นเช้าวันนั้นพระตถาคตเจ้า แต่ขายพระยานไปตรวจ ด, ดูหมู่สัตว์ที่พระองค์ควรโปรดได้เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมาของชาวนานั้นและเหตุทั้งปวงอันจกเกิดขึ้นแก่ชาวนาพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีใครอื่นที่จะเป็นพยานของชาวนาได้นอกจากพระองค์จึงมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จไปยังที่นั้นชาวนาเห็นพระาศาสดาแล้วมาถวายบังคมแล้วไปไถานาอย่างเดิมพระาศาสดาเสด็จไปที่ถุงเงินตรัสกับพระอานนท์ว่า อานน์เธอเห็นอสารพิษนั่นหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะอสสารพิษร้ายพระอานนทูลตอบพระศาสดาตรัสจริงเท่านี้แล้วหลีกไปชาวนาได้ยินเสียงนั้นจึงคิดว่าทีนี้เราไปมาอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนอสสารพิษจักเป็นอันตรายแก่เราดังนี้แล้วถือด้ามประจักษ์ไปหมายจะตีงูเห็นถุงรั์บรรจุรั์ไว้พันหนึ่งดีใจว่าพระศาสดาตรัสบอกรั์ให้โดยไนย จึงถือเอาทรัพย์นั้นไปเอาฝุ่นกรบไว้แล้วไถนาต่อไปเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นเวลาเช้าเห็นว่าทรัพย์หายไปจึงชวนกันเดินตามรอยเท้าของโจรเห็นรอยเท้ามาหยุดอยู่ที่นาของชาวนาคนนั้นและมีร่องรอยการแบ่งทรัพย์กันเห็นรอยเท้าของชาวนาจึงเดินตามรอยเท้าไปเห็นรอยเท้าไปหยุดอยู่ณที่แห่งหนึ่งมีรอยขุดคุยดินเอาฝุ่นกรบไว้จึงคุยฝุ่นดูก็เห็นถุงทรัพย์ พวกเขาโบยตีชาวนาด้วยถอนไม้แล้วนําตัวไปแสดงแต่พระราชาในฐานะขโมยทรัพย์เป็นอันมากพระราชาทรงสับเรื่องราวโดยตลอดแล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตชาวนานั้นเสียพวกราชบรุษมัดชาวนานั้นไพร่หลังเกลียนโดวยวยัยนาไปสู่ที่ประหารชาวนากล่าวอยู่อย่างเรียวว่าอาน o ์เห็นอสรพิษนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าอสสรพิษร้าย ผูกราชบุรุสงสัยในคำของเขาจึงถามว่าเหตุไรจึงกล่าวคำของพระาศาสดาและพระอานน์เขาบอกว่าต้องในเฝ้าพระราชาเสียก่อนแล้วจักบอกพวกราชบุรุษนำเขาไปเฝ้าพระราชาเมื่อพระราชาตรัสถามจึงทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระราชาทรงดำริว่าชาวนานี้อ้างพระาศาสดาและพระอานน์เป็นพยานน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งแต่นี้แล้วให้พักการลงโทษชาวนาไว้ก่อน ทรงพาเขาไปเฝ้าพระศาสดาในเวลาเย็นทูลถามเรื่องราวต่างๆพระศาสดาตรัสตอบตรงตามที่ชาวนาเล่าถวายทุกประการพระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากชาวนานี้ไม่อ้างพระองค์แล้วคงตายไปแล้วแต่เพราะเขากล่าวคําที่พระองค์ตรัสกับพระอนุลครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจึงได้รอดชีวิตมาพระศาสดามีพระประสงค์จะเทศนาโปรดทั้งพระราชาและชาวนาจึงตรัสว่ามหาบพิต อาตมาภาพกล่าวคําเพียงเท่านั้นแล้วหลีกไปมหาบา่อผิดกรรมใดทําแล้วเดือดร้อนภายหลังบัณฑิตย่อมไม่ทํากรรมนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาความว่ า, วาบุคคลทำำํากรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังเป็นอาทิมีไนยะดังพรนน า, นา ม, มาแล้วแต่ต้น